อาจารย์ิดลงไปแล้วท่านพระครูจึงถามนายสมชายว่าเป็นไงเธอรู้สึกเครียดบ้างไหมผมไม่กล้าเครียดหรอกครับหลวงพ่อผมกลัวมะเร็งเต้านมเล่นงานผมชายหนุ่มตอบอย่างคนรักตัวกลัวตายเรื่องนั้นเธอไม่ต้องกลัวหรอกรับรองว่าไม่เป็นท่านเจ้าของกุฏิตอบ เพราะผู้ชายหมดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกแต่เจ้าขุนทองมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสังเกตไหมครับว่านมมันใหญ่ขึ้นคำถามนั้นสะดุดใจท่านพระครูท่านรู้สึกเหมือนกันว่าหน้าอกของหลานชายมันดูผิดหูผิดตาไปมันไปทำยังไงเข้าละ่ะหน้าอกหน้าใจมันถึง ผิดปกติอย่างงั้นผมหลอกถามดูเห็นมันบอกว่าเอามตสกน้อยไปต่อยมันว่าถ้าใหญ่มากๆก็จะซื้อยกส่งมาใส่หลวงพ่ออย่าบอกนะครับว่าผมมาพูดมันเอาผมตายเลยชายหนุ่มเล่าพลางขอร้องแปลว่าเธอเอาความลับเจ้าคุณทองมาเปิดเผยนะสิท่านพระครูพูดเสียงตำหนิโทรหลวงพ่อครับ ผมไม่ได้คิดทรยศเพื่อนนะครับแต่ที่ทำไปเพราะหวังดีต่อมันผมกลัวมันจะเป็นมะเร็งต้องนมนะครับก็เห็นหน้าขามเล่าว่าคนที่เอามตโนยต่อยลูกอันทะยังเป็นมะเร็งตายได้สิทธวัดอ้างเหตุผลที่ต้องเปิดเผยความลับของเพื่อนนั่นเพราะกรรมที่เขาไปหลอกลวงหลวงไว้ต่างหากละ่ะหลอกลวงเพื่อจะไม่ต้องเป็นทหาร แต่เจ้าคุณทองมันไม่มีกรรมเช่นนั้นฉันรับรองว่ามันไม่เป็นมร็งแน่เธออย่าห่วงไปเลยครับถ้าหลวงพ่อยืนยันเช่นนี้ผมก็สบายใจแล้วหลวงพ่ออย่าเผลอบอกเรื่องนี้มันเข้านะครับไม่งั้นผมถูกมันด่าล้างน้ำแน่เลยล้างน้ำก็ดีนะสิเธอจะได้สะอาดสะอ้านขึ้น ท่านเริ่มยั่วเพื่อคลายเครียดมันก็คงจะดีหรอกครับถ้าผมเป็นคนชอบอาบน้ำแต่บังเอิญผมเป็นโรค ก, กลัวน้ำครับชายหนุ่มว่าได้ยั่วลูกศิษย์พอหอมปากหอมคอแล้วท่านพระครูจึงให้เข้าลงไปล้างรถเพราะจอดไว้หลายวันฝุ่นเกาะเต็มไปหมดถึงไม่ต้องลงไปดูก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ท่านคิดนายสมชายลงไปแล้ว เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงนั่งหลับตาทบทวนข้อความในจดหมายของนายพันเอกใจความโดยสรุปก็คือเขาหลงรักครูสาวที่จ้างมาสอนพิเศษให้ลูกที่บ้านทั้งหลงรักและหลงไหลถึงขนาดคิดขออยากกับพรนยาเพื่อจะแต่งงานกับเธอเหตุผลที่เขาอ้างกับพันยาคือตัวเขาเป็นนายพันอีกไม่นานก็จะได้เป็นนายพล และคนเป็นพัญญาก็จะต้องได้ตำแหน่งคุณหญิงแต่พัญญาของเขาไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้เพราะหล่อนแก่เกินไปทั้งยังมีความรู้แค่มัธยมหกขณะที่ครูสาวจบปริญญาแล้วก็สวยกว่าสาวกว่าผมอุตสาร้องห่มร้องไห้เพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจในความรักของผมแต่เขาใจร้ายกับผมมากเพราะนอกจากจะไม่ยอมหย่าแล้ว ยังไม่สงสารเห็นใจเขาไม่มีน้ำตาสักหยดเดียวทั้งที่ผมร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดอย่างนี้แล้วผมจะอยู่กับเขาได้อย่างไรครับหลวงพ่อผมพยายามพูดขอร้องเขาทุกวันเขาก็ไม่ใจอ่อนกระทั่งผมอ่อนใจมาวันนี้เองผมยื่นคำขาดว่าถ้าเขาไม่ยอมอย่าผมจะฆ่าตัวตายเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งและบอกผมว่าตกลงฉันจะยอมอย่าให้ เพราะเห็นใจในความรักของคุณความรักมันกินได้ส่วนเงินกินไม่ได้ฉะนั้นฉันจะยอมหย่าให้คุณแต่คุณต้องยกเงินเดือนให้ฉันทั้งหมดหลุงพ่อคิดดูสิครับว่าผมจะทําตามข้อเสนอของเขาได้อย่างไรถ้าผมให้เงินเดือนเขาหมดผมกับพัญญาคนใหม่จะอยู่ได้หรือหลุงพ่อช่วยผมหน่อยเถอะครับช่วยให้เขาเห็นใจผมและยอมหย่าโดยไม่เอาเงินเดือนของผม ส่วนลูกผมเลี้ยงได้และแม่ใหม่ของแกก็ช่วยติววิชาให้โดยไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงเรียนกวดวิชาผมจะรอคำตอบจากหลวงพ่อความจริงผมอยากมากรับเรียนถามด้วยตนเองแต่เขาทำให้ผมหมดแรงและหมดหวังจนไม่สามารถขับรถมาได้หลวงพ่อกรุณาตอบผมโดยด่วนเลยนะครับจดหมายไม่มีซองเปล่าติดสแตมป์สอดมาด้วยเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง จึงจัดการหยิบสองมาจากหน้าถึงผู้รับตามที่อยู่ตรงหัวกระดาษเสร็จแล้วจึงลงมือตอบเขียนที่วัดป่ามะม่วงวันที่ห้ามีนาคม2517ริเจเจริญพรท่านผู้พันที่นับถืออาตมาอ่านจดหมายของผู้พันแล้วรู้สึกสงสารและเห็นใจเป็นที่สุดอย่าเพิ่งดีใจว่า อาตมาจะช่วยให้สงความปรารถนาอาตมาจะช่วยได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่ผู้พันปรารถนานั้นมันไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมคนที่อาตมารู้สึกสงสารและเห็นใจเป็นที่สุดนั้นไม่ใช่ผู้พันหากแต่เป็นพัญญาของผู้พันพัญญาคนที่มีความรู้น้อยและถูกสามีตำหนิติเตียนว่าทั้งแก ทั้งไม่สวยนั่นแหละเรื่องทั้งหมดที่ผู้พันเล่ามามันเหมือนนิยายมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่อาตมาก็ไม่คิดว่าผู้พันจะแต่งนิยายมาให้อาตมาอ่านหรอกนะเพราะอาตมาไม่ใช่นักอ่านแล้วก็คงไม่มีเวลาเพราะมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายอาตมาคิดว่าที่พัญญาของผู้พันเขาไม่ร้องไห้นั้น คงเป็นเพราะน้ําตาตกในมากกว่าเอาละ่ะเรื่องนี้อาตมาก็ขอตอบสั้นๆว่าให้ผู้พันเลิกล้มความคิดที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่สเสเถิดเพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลยอาตมาขอร้องนะโปรดอย่าได้ทำลายจิตใจผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกปกติคนเรา เมื่อตั้งความหวังในทางที่ผิดครั้นสมหวังจะสุขสมสรก็เฉพาะตอนต้นๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอแนะนำว่ายอมผิดหวังเสียดีกว่าซึ่งแม้จะต้องเศร้าโศกเสียใจอาลัยหาต่อเมื่อทำใจได้เมื่อใด ก็จะเกิดความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุดจริตไม่บกพร่องเสียหายใครๆก็ติเตียนไม่ได้คู่พันลองนำไปพิจารณาดูส่วนเรื่องการเป็นคุณหญิงนั้นอาตมาได้ตรวจสอบดูกฎแห่งกรรมของคุณโยมทั้งสองแล้วไม่มีใครจะได้เป็นคุณหญิงสุดท้ายนี้ อาตมาขอเจริญพรขออำนาจคุณพระเสรตนะไตรและบารมีขององค์สมเด็จพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองให้ผู้พันและครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรจงสมความปรารถนาทุกประการเทิด ขอเจริญพรพระครูเจริญทิตตธรรมโมเขียนเสร็จท่านพระครูก็อ่านทบทวนอีกครั้งเสร็จแล้วจึงพับใส่ซองปิดผนึกอย่างเรียบร้อยขาข้างที่หักกำลังอักเสบท่านเลิกสะบงขึ้นดูก็พบว่ามันบวมเป่งทั้งที่นวดด้วยน้ำมันมันทุกวันการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวจึงเป็นไปด้วยความยากลาบาก หากท่านก็ไม่เคยคิดถดถอยแม้จะอยู่ในภาวะอาพาธเจ็บป่วยก็ไม่เคยหยุดพักท่านทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการเขายัางได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงไม่มีวันหยุดกับใครเขาทั้งงานที่ทําหรือก็ไม่มีเงินเดือนให้อีกด้วยฉบับต่อมาเป็นของนางวรวินนินเนธ เขียนมาจากบ้านเลขที่7 6ทับ21ถนนเพชรเกษมอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมจดหมายลงวันที่1มีนาคม2517หล่อนเขียนเล่ามาว่าเมื่อวานนี้ดิฉันกับสามีได้พาเพื่อนชาวอเมริกันไปดูการเข้าทรงที่บางแค่ดูแล้วต่างก็รู้สึกสลดหดหูไปตามๆกัน ดิฉันจะเล่าให้ท่านประกรูฟังนะเจ้าคะ่ะคณะของเราไปถึงสถานที่ที่ใช้ทาพิธีซึ่งเขาเรียกกันว่าพระตำหนักเมื่อเวลาประมาณเจดนาฬิกาพระตำหนักสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังวงเล็บคงราคาหลายล้านอยู่ในเนื้อที่ประมาณสิบไร่หน้าพระตำหนักมีรูปหล่อของหลวงพ่อทวด ต, ตั้งตรงงานอยู่กลางสนามผู้ไปร่วมงานมีทั้งพระและครือัด เวลา7จ็ดนาฬิกานาทีพระสงฆ์ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์พระที่มาเจริญพระพุทธมนต์นี้ส่วนใหญ่เป็นพระราชาคณะมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งนอกนั้นก็เป็นท่านเจ้าคุณหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรีก็ไปร่วมงานด้วยหลังจากพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการถวายพัตหารและเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งก้ารูปนั้น เสร็จแล้วท่านก็พากันกลับไม่ได้อยู่ดูเขาเขา้าทรงและท่านก็คงไม่ทราบว่าเขาทําอะไรกันบ้างดิฉันคิดว่าคนส่งเขาเข้าใจนิมนต์พระระดับสูงมาเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นการหลอกลวงสงฆ์อย่างแนบเนียนที่สุดหลอกลวงสงฆ์มาเพื่อจะใช้หลอกชาวบ้านอีกต่อหนึ่ง เสร็จพิธีส่งแล้วก็เป็นพิธีเข้าส่งที่ดิฉันสะท้อนสะเทือนใจมากก็คือคนส่งเป็นพระภิกษุดิฉันรู้สึกอับอายแทนชาวไทยพุทธทั้งประเทศที่ยังมีชาวพุทธบางคนโง่เขลางมงายไร้เหตุผลทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งปัญญานอกจากคนส่งจะเป็นพระภิกษุแล้ว ก็ยังมีพระภิกษุอยู่ร่วมงานอีกกว่า200รูปซึ่งท่านเหล่านี้อาจจะไม่ได้ศึกษาพระวินยัยเพราะคงไม่ได้ตั้งใจบวชสามีของดิฉันต้องอธิบายให้เพื่อนชาวอเมริกันฟังว่าคนพวกนี้เป็นพระเทียมไม่ใช่พระแท้ที่ต้องอธิบายเพราะเขานับถือพระพุทธศาสนาและได้ศึกษาพระวินัยมาอย่างดีทั้งเคยบวชมาแล้วด้วย เขาจึงวิาพากษ์วิจารณ์พระเหล่านี้ว่ากระทําผิดพระพุทธบัญญัติดิฉันจะเล่าเรื่องคนทรงต่อนะเจ้าคะ่ะเขาโกนศีรษะห่มผ้าเหลืองแต่งตัวเรียนแบบพระถ้ะยังประกาศตัวว่าเป็นพระอีกด้วยเขาอ้างว่าหลวงพ่อทวดมาเข้าฝันขอร้องให้เขาเป็นร่างทรงของท่านเพื่อสร้างบารมีเมื่อจะเริ่มเข้าทรงเขาจุดทูปมัดใหญ่ทั้งมัด เสียบไว้ในกระถางข้างหน้าและจึงจุดเทียนมัดใหญ่เช่นกันนํามัดเทียนตั้งไว้บนศีรษะให้น้ำตาเทียนไหล ย, ย้อยมาอาบใบหน้าจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิประนมมือหลับตาร้คาถาด้วยเสียงอันดังภาษาที่ใช้จะว่าปาลีก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงเพราะปนเปกันไปหมดจนฟังไม่ออก แต่ที่พอจะจับได้คำหนึ่งคือคำว่าเทวาเพราะผู้ซ้ำๆหลายครั้งขณะที่ร้ค า, าถาก็นั่งขยุกขยิกท่าทางหลุกลิกไม่มีการสํารวมเลยไร้ค า, าถาจบลูกศิษย์ก็จะนำจานหมากที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วมาประเคนเขาก็ใช้มือหยิบใส่ปากทำท่าเคียเค้ยววปล่อยน้ำหมากไหล ย, ย้อยลงมาเประคาง เพื่อนชาวอเมริกันบอกน่าเกลียดมากเหมือนแรคคูล่ากำลังกินเลือดเพราะน้ำหมากสีแดงเหมือนเลือดจริงๆ จ, จากนั้นพวกลูกศิษย์ก็ช่วยกันยกขันบรรจุน้ำมาให้ทำน้ำมนต์เป็นขันทองเหลืองขนาดเมื่อเฮมาบรรจุน้ำได้30ลิตรเขาหยิบมัดเทียนจากบนศรีรษะลงมาจาที่ปากขันให้น้ำตาเทียนหยดลงน้ำลูกศิษย์ ส่งถาดบรรจุพวงมาลัยดอกมะลิมาให้เขายกถาดขึ้นสูงระดับศรีรษะหลับตาทำปากขมุบขมิบทำทีว่าเสกแล้วเทพวงมาลัยลงในขันน้ำมนต์จากนั้นพระวงเล็บเทียมและคฤหัดก็จะเรียงแถวกันเข้ามารับน้ำมนต์แถวพระเข้ามาก่อนเขาก็ใช้พวงมาลัยที่รออยู่ในขันน้ำมนต์ตบที่ศรีรษะพระ ซึ่งเข้าไปก้มศีรษะประนมมือรับอย่างนอบน้อมหมดจากแถวพระวงเล็บเทียมซึ่งมีประมาณ200รูปก็เป็นแถวของครือัดซึ่งมีนายทหารยศนายพลเดินนําหน้าที่ดิฉันทราบเพราะเขาแต่งเครื่องแบบมาแล้วดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นนายพลจริงหรือนายพลปลอมหากเป็นตัวจริงก็น่าสงสารมาก ที่ท่านตกเป็นเครื่องมือหากินของคนพวกนั้นท่านพระครูเจ้าคะ่ะดิฉันสลดใจเหลือเกินชาวพุทธเราอับจนปัญญาและไร้ที่พึ่งพิงเสร็จแล้วหรือจึงได้ฝากชีวิตไว้กับการเส้นเจ้าเข้าส่งเช่นนี้พระพุทธศาสนาใกล้จะถึงจุดจบเสร็จแล้วหรือจึงถูกคนใจบาปหยาบช้านำมาใช้เป็นเครื่องมือกอบโกยเงินเข้ากระเป๋า เพื่อนชาวอเมริกันที่ดิฉันพามาดูได้แสดงความหงุหงิว่าหากคนศาสนาอื่นเขามาพบเข้าก็จะเป็นจุดให้เขาโจมตีได้ท่านประครูคิดว่าจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าคะสามีของดิฉันบอกว่าอยากจะไปร้องเรียนต่อมหาเทระสมาคมหรือไม่ก็กรมการศาสนาให้เขาสอดสอนดูแลบ้างเพราะมันเป็นภัยร้ายแรง ตอพระศาสนาของเราเป็นการเปิดช่องให้คอมมิวนิสต์และศาสนาอื่นเข้าโจมตีเอาได้ท่านพระครูกรุณาตอบปัญหาของดิฉันด้วยนะเจ้าคะ่ะสิ่งที่ดิฉันอยากทราบมีสองประการคือ 1. ท่านพระครูเชื่อหรือเปล่าเจ้าคะ่ะว่าหลวงพ่อทวดท่านมาเข้าทรงจริงจริงสองหากคนทรงและพระที่มารับน้ำมนต์เป็นพระแท้จะถือว่า เป็นการผิดวินัยตามพุทธบัญญัติหรือไม่ขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าเจ้าค่ะน้ำมาสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงวรวินนินเนธจดหมายทุกฉบับที่ท่านประครูได้รับไม่มีฉบับใดที่ไม่ทำให้ท่านไม่เครียดพูดให้ฟังง่ายเข้าก็คือทุกฉบับล้วนแล้วแต่ทําให้ท่านเครียดแต่ความรู้สึกเช่นนี้ก็เกิดขึ้นไม่นาน เพราเมื่อกําหนดเครียดหนอเครียดหนอมันก็หายไปแต่ฉบับของนางวรวินนินเนตนิสิท่านต้องกําหนดทั้งเครียดหนอและสลดใจหนอควบคู่กันกระนั้นเจ้าความรู้สึกสองอย่างนี้มันก็ยังไม่ยอมเลือนหายไปท่านจึงต้องลุกขึ้นเดินจงกรมให้ความเจ็บปวดในแต่ละย่างก้าวนั้นมาช่วยฆ่าความเครียดและความสลดรันทดใจ วายหลวงลุ ง, ลงทำไมลุกขึ้นเดินตายแล้วตายแล้วประเดี๋ยวขาก็ไม่หายหรอกนาขุนทองส่งเสียงวีดไว้เมื่อขึ้นมาเห็นกับตาว่าหลุงลุ ง, ลงกำลังทำอะไรอยู่ข้าเดินมาตั้งร่วมชั่วโมงแล้วเอ็งเพิ่งจะมาโวยวายมีธุระอะไรกับข้าอีกละ่ะท่านหยุดเดินพลางถามหลุงลุงนั่งก่อนดีกว่าหอ นั่งนะคนดีคนดีของคุณทองหลานชายพูดเหมือนกับว่าหลงหลุงเป็นเด็กสามขวบนี่นี่เจ้าคุณทองมันจะมากไปมันจะมากไปข้าไม่ใช่เด็กอมมือนะเอ็งอย่ามาพูดกับข้ายังงั้นท่านเอ็ดหลานชายไม่พูดก็ได้แต่หลงหลุงนั่งก่อนสินะฮะหนูก็ร้องนั่งก่อนนั่งเอาละ มีอะไรก็ว่าไปท่านหายเครียดหายสลดหดหูแต่ก็มีอันต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอแทนเพราะรู้สึกปวดระบบไปทั้งร่างโดยเฉพาะที่ขาข้างขวาผัวหนึ่งเตยมาตามหอหนุ่มวัยยสเอ็ดรายงานเอ็งรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผัวแม่หนูคนนั้นเขาบอกเอ็งหรือ ปล่าบอกเหอแต่ลุงลุงเคยบอกไว้ว่าวันที่หามีนาผัวนังเตยจะมารับไปแต่งงานหนูเลยเดาเอ า, เอาก็เข้ามาถามหาหนังเตยนี่ฮหงั้นก็บอกเขาให้ขึ้นมาหาขาก่แล้วกันหะชายหนุ่มรับคำแล้วจึงลงไปสักพักหนึ่งชายหนุ่มอีกคนก็ขึ้นมาแม้หน้าตาจะเศร้าซ้อยหาก็ดูหล่อเหลา ชวนมองมีหน้าแม่หนูคนนั้นถึงได้เผลอใจเผลอกายท่านเจ้าของกุฏิลงความเห็นในใจชายหนุ่มกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วแนะนำตัวเองผมชื่อสุมเมธมาจากจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับท่านพระครูนิ่งไม่พูดไม่ถามเพราะต้องการจะดัดนิสัยลูกผู้ชายที่ประพฤติตัวไม่สมกับเป็นลูกผู้ชาย ผมมาตามหาพัญญาครับได้ข่าวว่ามาบวชทีอยู่ที่วัดนี้ขขาพูดอีกหากท่านพระครูก็เฉยอีกมีผู้หญิงชื่อเตยมาบวชที่วัดนี้หรือเปล่าครับเมื่อท่านเจ้าของกุฏิเฉยอีกชายหนุ่มก็หมดความอดทนเขาพูดด้วยเสียงเยาะเย้ยประชดประชันว่าผมไม่นึกเลยว่าจะมาเจอเอาพระใบ้เจ้ากระเทยนั่นก็ไม่ยักบอกว่าสมภารวัดนี้เป็นใบ ได้ผลเพราะท่านพระครูพูดขึ้นว่าอาตมาไม่ได้เป็นใบหรอกคุณแต่อาตมาต้องการทดสอบคนที่มาวัดนี้ทดสอบความอดทนไงละ่ะคนที่มาวัดนี้จะต้องอดทนอดได้ทนได้รอได้คุณอยากพบพัญญาไม่ใช่หรือครับ คราวนี้เขาพูดเสียงอ่อนลงแม้ใจจะยังรู้สึกโกรธขึ้นถ้างั้นก้นนั่งรอประเดียวเดียวอาตมาจะคุยด้วยขอตอบจดหมายฉบับนี้ให้เสร็จก่อนแล้วท่านก็ก้มหน้าก้มตาตอบจดหมายที่เป็นสาเหตุแห่งความเครียดของท่านจเจริญพรคุณโยมที่นับถืออาตมาได้อ่านจดหมายของคุณโยมแล้ว รู้สึกสลดหดหูใจไม่แพ้คุณโยมเช่นกันนึกไม่ถึงว่าเรื่องที่เล่ามานั้นมันจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้อาตมาเห็นว่าถ้าคนทรงเขาเป็นขรือหัดและไม่มีประสงค์ไปรับน้ำมนต์อาตมาจะไม่นึกตำหนิเลยเพราะมันเป็นวิธีการหากินของพวกเขาที่จะหลอกคนโง่เขลาเบ่าปัญญา คุณโยมอย่าไปคิดว่าคนที่เป็นชาวพุทธนั้นจะเป็นผู้มีปัญญาไปเสียหมดทุกคนพระพุทธเจ้าทรงแบ่งคนไว้สี่ระดับเปรียบเทียบกับบัวสี่เหล่าคุณโยมคงพอจะจำได้อุคติตันยะวิป จ, จิตันยูเนยะและปะทะปรรมะฉันนั้น จะให้ฉลาดหลักแหลมเหมือนกันหมดย่อมเป็นไปไม่ได้หากจะถามความเห็นของอาตมาว่าเชื่อหรือไม่ว่าผู้ที่มาเข้าทรงนั้นเป็นหลวงพ่อทวดอาตมาก็ขอตอบว่าไม่เชื่อเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องทำเช่นนั้นและที่ชอบอ้างกันว่าเทพมักจะลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกประการหนึ่งที่พึ่งของชาวพุทธก็ไม่ใช่เทพยดาหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนแต่คือพระรัตนตรัยคุณโยมคงจะจำบทสวดมนต์ได้บทสวดที่ว่านติเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังสรณ ะ, ะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตถิเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้านัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสง เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตทีนะวัตเธอยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาคุณโยมเห็นแล้วใช่ไหมพระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้ยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้น แต่ชาวพุทธทุกวันนี้เข้าไปยึดอะไรกันก็ไม่รู้เลอะเลือนล่ามป้ามกันไปหมดจนหาข้อยุติไม่ได้คุณโยมไม่ต้องไปกลัวว่าคอมมิวนิสต์หรือศาสนาอื่นเขาจะมาทำลายพระพุทธศาสนาของเราหรอกไม่ต้องกลัวผู้ที่จะทำลายก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละ พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าศาสนาจะตั้งอยู่ได้นานก็เพราะพุทธบริษัทสและจะเสื่อมไปก็เพราะพุทธบริษัทสอีกเช่นกันก็ยังดีที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วผู้ที่จะทำลายจึงเหลือเพียงสามคือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอาตมาเอง พยายามอุทิตเวลาเพื่อพระศาสนาอุทิตทั้งเวลาและชีวิตจะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงอาตมาทำได้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาขอสรุปสั้นๆว่าเมื่อมีหลวงพ่อททษก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบ หลวงพ่อเทียมมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเส้นแล้วสําหรับสมัยนี้คนที่มีปัญญาเขาก็จะรู้เองว่านี่เป็นหลวงพ่อเทียมไม่ใช่หลวงพ่อทวดส่วนคนเขาเบาปัญญาถึงคุณโยมจะไปบอกเขาว่าเป็นหลวงพ่อเทียมเขาก็ยังเชื่อว่า เป็นหลวงพ่อทวดอยู่นั่นเองก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาขอให้คุณโยมวางใจเป็นอุเบกขาเถิดขอเจริญพร